ทำไมเศรษฐีระดับโลกเคยจนมาก่อนถามเศรษฐีระดับโลกหลายคนเคยยากจนมาก่อนและไม่ใช่ยากจนธรรมดาบางคนเช่นวอร์เรนบัฟเฟตถูกบีบให้ออกมาทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัวตั้งแต่สิบขวบและจึงใช้ความสามารถเฉพาะตัวสร้างความร่ำรวยให้ตนเองในภายหลัง อย่างนี้พวกเขามีกรรมแต่คนหลังแบบไหนที่ทำให้ต้องยากจนค้นแค้นในวัยเด็กแล้วกลับร่ำรวยเมื่อเติบโตขึ้นมาได้หากความเชื่อแบบพุทธที่ว่าการให้ทานมีผลเป็นความร่ำรวยเหล่ามหาเศรษฐีก็น่าจะเคยให้ทานมามากมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สมควรมั่งคั่งมาตั้งแต่เด็กจึงจะถูกสิ ความหมายแบบเพลินๆของคำว่ารวยคือได้มากหรือมีมากส่วนความหมายเพลินๆของคำว่าจนคืออัตคัดขาดแคลนเฟือเคืองมีไม่พอกินพอใช้สำหรับคำตอบต่อไปนี้ผมจะเล็งเฉพาะสุดต่งสองขั้วคือกรรที่ทำให้จนมากกับรวยมากเพื่อจะได้ตอบอย่างตรงประเด็นว่า ทำไมบางคนจึงสุดอัตคัดขัดสนแล้วแปรเป็นมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ภายในชาติเดียวกรรมที่ให้ผลเกี่ยวกับความยากดีมีจนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดไม่ใช่ให้นิดให้หน่อยแล้วรวยแน่และสําคัญคือไม่ใช่แค่กรรมเก่าที่มีส่วนกําหนดวิถีใช้ชีวิตทั้งหมดมีส่วนให้ผลกับฐานะได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงกรรมหลักที่แก่ทำไว้ในอดีตก็อาจาต้องแยกแยะ ก, กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำอะไรมากๆแล้วจึงให้ผลเป็นการไปเกิดในภพแห่งความอัตคัดหรือภพแห่งความมั่งคั่งเมื่อแจกแจงอดีตกรรมแล้วก็จะค่อยลงรายละเอียดปัจจุบันกรรมเป็นลำดับต่อไปกรรมหลักๆที่ทำให้ยากจนมากได้แก่ 1. ความตรนี่ที่เหนียวคือให้ได้ก็ไม่ให้หรือแม้สมควรให้ก็หวงไว้ยื้อไว้เช่นหนี้ของตัวเองแท้ๆสมควรต้องใช้แต่ก็เสียดายอยากดองไว้เป็นของตนเองอย่าว่าแต่จะคิดถึงเรื่องแบ่งปันหรือเจือจา์ทั้งชีวิตกลัวแต่ว่าใครจะมาเอาเปรียบตนหรือกลัวแต่ว่าตนจะไม่ได้เปรียบใคร ผลแห่งการตระหนี่เกินเหตุคือการเป็นผู้อัตคัดเกินเหตุเช่นกันแรงนำใจในการนี้จะให้ผลเป็นความแง้งทรัพย์ในชาติถัดไป 2. ละโมบโลภมากขั้นรุนแรงคือโลภจัดขนาดผิดศีลข้อที่ว่าด้วยการลักทรัพย์ได้หรือช่อโกงทรัพย์ได้โดยปราศจากความละอาย ผู้ทำความวิบัติชิบหายให้แก่ทรัพย์ของคนอื่นย่อมรับผลเป็นความพินาศแห่งทรัพย์ของตนเช่นกันแม้การให้ทานในอดีตจะได้บรรดาทรัพย์ไวมากทรัพย์นั้นย่อมถึงความวิบัติอาจจะในระดับให้เกิดความเจ็บใจรุนแรงหรืออาจจะในระดับให้ตกยากแบบฉับพลันทันทีขึ้นอยู่กับความหนักเบาแห่งกรรมของอทินาทานอันเป็นตัวต้นเหตุ นอกจากนี้ยังมีการปลีกย่อยที่ทำให้ยากจนได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพชัดๆเช่นในภาวะสงครามที่ต้องคิดทาลายล้างศัตรูบางทีใช้วิธีล้อเมืองตัดข้าวตัดน้ำคนทั้งเมืองเพื่อบีบให้เจ้าเมืองยอมจำนนหากทำอย่างนี้สักสองสมหนโดยไม่เห็นใจลูกเด็กเล็กแดงเลยก็มีสิทธิ์ไปเกิดในถิ่นฐานกันดาร หรือทรมานกว่านั้นคือเกิดในถิ่นฐานอุดมสมบูรณ์ทว่าไม่มีสิทธิ์กินไม่มีสิทธิ์ใช้อัตคัดเหลือจะทานทนส่วนกรรมหลักๆที่ทำให้ร่ำรวยมากได้แก่หนึ่งความมีนิสัยใจคอเผื่อแพคือเอาแต่คิดให้ผูกใจอยู่กับการให้ เคยชินกับการเป็นผู้ให้ขนาดไม่มีให้ก็ขวนขวายกระวนกระวายอยากหามอช่วยเหลือคนกาลังตกทุกข์ได้ยากตลอดชีวิตมีแต่ใจอยากเจออจารย์กลัวแต่ว่าคนอื่นจะมีไม่พอกระทั่งลืมลมว่าตัวเองจะมีพอไหมผลแห่งการใจดีเกินธรรมดาคือการเป็นผู้มีทรัพย์มากเกินกว่าชาวโลกทั่วไปเขา 2. การละอายต่อบาปอย่างยิ่งยวดคือขนาดยอมอดตายดีกว่าคิดคดโกงผู้ไม่คิดเพ่งแลงเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยมิชอบยอมรับผลเป็นความสวัสดีแห่งทรัพย์แม้ความตรหนีในอดีตอาจก่อให้เกิดทรัพย์เพียงน้อยทว่าทรัพย์นั้นก็จะอยู่ทนไม่วิบัติไปด้วยภัยธรรมชาติหรือภัยจากมือโจร น, นอกจากนี้ ยังมีกรรมอีกเปลียย่อยที่ทำให้ร่ำรวยได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพชัดๆเช่นชี้ช่องให้คนอื่นรู้จักธรรมาหากินช่วยให้เขาเป็นผู้ฉลาดในธุรกิจกับทั้งมีใจใหญ่คิดเผื่อแผ่กลยุทธ์ให้กับคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกหากขาดการเผื่อแผ่ของเขาเป็นไปโดยบริสุทธิ์และปรารถนาให้คนทั้งแผ่นดินอยู่ดีกินดี มีชีวิตที่เป็นสุขขึ้นบุญที่ทำนี้ก็มีสิทธินำให้ไปเกิดในถิ่นฐานอุดมสมบูรณ์หรืออย่างน้อยแม้เกิดในถิ่นฐานแห้งแล้งด้วยบาปบางประการเขาก็จะมีกินมีใช้เหนือกว่าคนที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่เกิดกับทั้งฉลาดในการหาฉลาดในการเก็บและฉลาดในการใช้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อแยกให้เห็นเป็นเรื่องๆเช่นนี้คุณกุงพอมองออกว่าในชีวิตเดียวคนเราอาจสร้างทั้งเหตุที่ทำให้ยากจนและเหตุที่ทำให้ร่ำรวยได้ไม่ใช่ว่าทำทานมากและเป็นประการว่าเกิดใหม่จะได้สบายตั้งแต่ต้นต้องดูด้วยว่าทุ่มเท ท, ทำแค่ไหนตลอดไปหรือเปล่าและเคยก่อบาปไว้ทวงความเจริญเพียงใดด้วย เพื่อให้เห็นชัดเจนขอแยกแยะบุญที่ทำให้รวยเป็นข้อๆดังนี้บุญเก่าที่ส่งไปเข้าท้องคนรวยหนึ่งเคยงดเว้นบาปชนิดที่ให้ผลเป็นความอัตคัดขณะเกิดเช่นชาติใกล้ไม่เผาบ้านไล่ที่ใครทั้งที่มีสิทธิ์ทำด้วยอำนาจบาดใหญ่สอง เคยผูกพันกับพ่อแม่ที่กำลังอยู่ในฐานะร่ำรวยเช่นชาติใกล้ให้การอุปถัมภ์และมีความเอ็นดูกันมาแต่ก็อาจเคยเป็นศัตรูกันมาก็ได้โดยเฉพาะถ้าเคยสาปแช่งอาฆาตว่าจะจองเวรกันอย่างเหนียวแน่นพอมาเกิดเป็นลูกก็เป็นลูกทรพีเพี้ยมเกรียมขนาดจ้างฆ่าพ่อแม่เพื่อแย่งสมบัติได้ส มีบุญพอจะสวยสุขล้นหลามตั้งแต่แรกเกิดเช่นเป็นผู้ให้ก่อนโดยผู้รับไม่จำเป็นต้องเคยมีบุญคุณกับตนเป็นผู้คิดอุปธรรมสมณะซึ่งไม่อยู่ในฐานะเลี้ยงดูตนเองได้ผลที่ได้ตอบแทนจากธรรมชาติจึงเป็นการมีผู้เลี้ยงดูอย่างดีเมื่ออยู่ในฐานะที่ไม่อาจเลี้ยงดูตนเองได้เช่นกัน บุญเก่าที่ทำให้ได้รับมรดกมาก 1. เคยเป็นผู้ยกผลประโยชน์ใหญ่ของตนให้คนอื่นด้วยน้าใจกาวรุนไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ2เคยเป็นผู้เคยมอบสมบัติให้แก่ผู้สงควรได้รับหรือมอบวัตถุอย่างใหญ่มอบที่ดินให้เป็นประโยชน์แด่สงขอให้คำหนึ่งว่าสงเป็นนาบุญอันยิ่งเมื่อมอบให้สง์ จึงสมควรแก่การรับมรดกใหญ่ในอนาคตเช่นกันบุญเก่าที่ทำให้ได้ลาบก้อนใหญ่หนึ่งเคยเป็นผู้ให้ลาบลอยแก่คนอื่นโดยที่เขาไม่คาดฝันหรือโดยที่ตนเองก็ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนเมื่อพบเห็นใครน่าช่วยเหลือก็ช่วยเลยทันทีเมื่อทำให้คนอื่นได้รับลาบ ก็ย่อมสมควรแก่การเป็นผู้รับลาบในอนาคตลาบที่ให้ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องมากมายแต่อย่างน้อยต้องทำให้เขายินดีปรีดาหรือทำให้เขารอดจากภาวะยากลำบากแบบฉับพลันทันทีลาบที่ได้รับอาจมาจากหลายทางโดยไม่คาดฝันอย่าแค่ไปคิดถึงการถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับประเภทอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายแสน แบบสืบหาต้นตอไม่ได้แจ้งธนาคารตรวจสอบแล้วก็ไม่รู้ความเป็นมาอันนี้เคยเกิดกรณีพิลึกพันนี้มาแล้วจริงๆง 2. เคยเป็นผู้ตั้งใจให้คนอื่นดีใจกับการได้รับของขวัญของกำนันโดยไม่คาดฝันมีมากครับพวกชอบเซอร์ไพรส์ชาวบ้านโดยไม่เปิดโอกาสให้รู้เนื้อรู้ตัวหวังจะเห็นเขาตื่นเต้นยินดีสุดขีดความหวังชนิดนั้น ถ้าทำสำเร็จก็ให้ผลเป็นลาบลอยก้อนใหญ่ได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าใครอยากได้อะไรมานานรู้ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหากได้สิ่งนั้นนั่นแหละตรงเป้าอย่างจังทีเดียวบุญเก่าที่ทำให้ค้าขายได้กําไรเสมอ 1. เคยให้ความหวังแก่สมณะว่าจะถวายสิ่งนนสิ่งนี้ ตกปากรับคำแล้วภายหลังนำมาถวายตามสัญญาเสมอแต่ให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นคือท่านต้องการเพียงหนึ่งแต่นำของที่ท่านประสงค์มาถวายเป็นสิบอย่างนี้ถ้าเก่งไว้ว่าจะทำยอดให้ถึงเป้าซักล้านก็อาจพุ่งพรวดทะลุเป้าไปเป็นหลายสิบล้านเป็นต้นพูดง่ายๆคือโชคช่วยตลอดแม้ฝีมือไม่ได้ดีเล่เหลี่ยมธุรกิจไม่ได้มากกว่าพ่อค้าใกล้ละแวกก็ตาม ข้อนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแนะนำไว้เป็นกรณีพิเศษจะทดลองก็ไม่เสียหายสำหรับหลายคนที่ไม่มีบาปเก่ามาเป็นอุปสรรคก็น่าจะเห็นผลทันตานในชาตินี้ได้ 2. เคยเป็นผู้คืนกำไรให้กับสังคมคือเมื่อสังคมช่วยให้ตนรวยแล้วก็แบ่งความรวยนั้นให้สังคมได้ประโยชน์สุขบ้าง พวกบริษัทใหญ่ๆที่คิดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์นั้นมาถูกทางแล้วหากใจไม่เล็งอยู่แต่ว่าจะได้มีส่วนลดหย่อนภาษีก็จะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นผลอย่างรวดเร็วแทบไม่ต้องรอเกิดชาติหน้าเพราะการทำคุณกับมหาชนจะให้ผลขยายใหญ่เห็นง่ายเห็นเร็วกว่าการทำคุณแบบเจาะจงกับกลุ่มคนเล็ก บุญเก่าที่ทำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับความรู้ความสามารถหรือฝีไม้ลายมือหนึ่งเคยให้ผลประโยชน์กับคนอื่นอย่างตรงไปตรงมาสมน้ำสมเนื้อแล้วกับความรู้ความสามารถของพวกเขาอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับชาวไทยจํานวนหนึ่งที่นิยมซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนเป็นประจําไม่เห็นแก่ค่าสมองค่าแรงงานของคนทาบ้างเลย กรรมนี้ต่อไปญาติจะเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ถ้ามีเงินซื้อของจริงแล้วยอมจ่ายโดยคิดว่าเงินจะได้ไปเข้ากระเป๋าคนผลิตตัวจริงถ้าทำเป็นประจำก็ส่งผลให้อนาคตเป็นผู้รับค่าตอบแทนคุ้มกับงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดค่าผลงาน 2. เคยเป็นผู้ทำงานโดยแรงประโยชน์สุขแก่คนอื่นคือตั้งต้นไม่ได้คิดเรื่องกำไรหรือไรายได้เป็นหลักเช่นอยากทำยาสีฟันก็เฝ้าครุ่นคิดหรือให้ทุนนักวิจัยว่าทำอย่างไรจะได้ยาสีฟันดีๆมีคุณภาพสูงรักษาเหงือกและฟันได้จริงกับทั้งมีราคาไม่แพงเกินกำลังผู้บริโภคส่วนใหญ่เรียกว่ามอบสินค้าที่เกินคุ้มให้กับสังคมประโยชน์สุกของผู้บริโภค จะย้อนกลับมาเป็นกำลังหนุนให้ได้รับผลตอบแทนเกินกว่าที่คาดฝันเช่นกันจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแม้ยังไม่ตอบคำถามของคุณตรงๆอย่างน้อยก็น่าจะทำให้เริ่มเห็นได้ว่าการเป็นคนรวยล้นฟ้านั้นแน่นอนว่าจะต้องมีฐานในอดีตเป็นบุญเก่าหนุนส่งอยู่แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายต่อหลายข้อประกอบร่วมเข้าไปด้วย คราวนี้วกเข้าเรื่องทำไมเคยอัตคัดขัดสนขนาดถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนมาทำงานแล้วภายหลังจึงกลายเป็นเศรษฐีระดับซื้อโลกสักครึ่งใบได้มามองในมุมใหม่ดีไหมมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันก็นได้นะครับการที่เขาถูกบีบให้ต้องทำงานตั้งแต่เด็กนั่นแหละคือเงื่อนไขสำคัญในการสร้างเศรษฐีระดับโลกขึ้นมาคนหนึ่ง คนจะเป็นอภิมหาคนรวยได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเอาแบบเห็นชัดๆที่สุดเลยก็แล้วกันคืออย่างน้อยที่สุดคนคนนั้นจะต้องมีความเป็นเจ้านายไม่ใช่ลูกจ้างเจ้านายสร้างขึ้นมาจากอะไรแน่นอนว่าไม่ใช่เด็กอัจฉริยะที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถชี้นิ้วสั่งงานแม้มิคาเลเคียนี ที่เข้ามาหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่หกขวบก็คงไม่อาจชี่นิ้วสั่งงานหรือออกปากสั่งคนให้ทําตามที่ตนต้องการได้ความเป็นเจ้านายต้องสร้างขึ้นด้วยบารมีบารมีเจ้านายมาจากไหนเอาสั้นๆแค่สามข้อแบบที่ดิ้นไปเป็นอื่นไม่ได้ 1. เคยเป็นลูกจ้างที่เต็มใจทํางานหนักกว่าลูกจ้างอื่น 2. เคยเป็นลูกจ้างที่มีหัวคิดก้าวหน้ามากกว่าลูกจ้างอื่น 3. เคยเป็นลูกจ้างที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอดไปเหมือนลูกจ้างอื่นกล่าวโดยย่นย่อที่สุดเจ้านายสร้างขึ้นมาจากลูกจ้างที่ยินดีดิ้นรนปรับฐานะตัวเองให้เป็นนาย ถ้าคุณเป็นลูกจ้างตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบแปบลบว่าคุณมีเวลาสร้างศักยภาพแห่งความเป็นนายมากกว่าคนอื่นราวๆสิบปีถูกไหมคนยากจนมีแรงบีบคั้นให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาเหมือนๆกันแต่คนยากจนที่มีอนาคตเรืองรองสุดขีดนั้นเขามีบุญเก่าหนุนใจให้ไม่ยอมแพ้กับวาสนาในช่วงต้นชีวิตตรงข้าม จะยินดีอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการหาช่องทางสร้างความก้าวหน้าให้ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบเขาทำให้มันเป็นวัตถุดิบสร้างวันใหม่ได้ทั้งสิ้นและวิบากด้านดีแต่คนหลังของเขาก็จะอำนวยโอกาสให้ไต่เต้าตขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่นานเกินอายุไขของเขามีนักพูดระดับโลกคนหนึ่งชื่อจิมรอน ให้วาทะเด็ดไว้ว่ากำไรดีกว่าค่าจ้างเพราะค่าจ้างทำให้เลี้ยงตัวได้แค่รอดในขณะที่กำไรจะทำให้เป็นเศรษฐีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิบากโดยตรงนั่นคือต่อให้คุณมีบุญเก่าหนุนหลังเท่าภูเขาคุณก็ไม่มีวันเป็นเศรษฐีระดับโลกขึ้นมาได้จากการเป็นลูกจ้าง อีกประการหนึ่งต่อให้คุณมีบุญเก่าและต่อให้คุณยอมเหนื่อยเพื่อเป็นนายคุณก็จะเป็นเศรษฐีระดับโลกไม่ได้หากขาดความฉลาดในการทำธุรกิจให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกรมเก่าให้มือให้เท้าและความน่าจะเป็นมาแค่นี้ที่เหลือเป็นเรื่องของคุณว่าจะใช้มือใช้เท้าปั้นดินให้เป็นดาวขึ้นมาได้ไหม เศรษฐีระดับโลกก็เช่นกันเขาไม่ได้มีแต่บุญเก่าเขาใช้ทั้งชีวิตสร้างงานที่ตัวเองรักเพื่อให้งานสร้างเงินกับเขาในภายหลังช่วงต้นบุญเก่าจะมีส่วนสําคัญอยู่บ้างก็ตรงที่ให้สัญชาตญาณพ่อค้าติดตัวเข้ามาอย่างดีดีคือเป็นผู้รู้จักสินค้าเป็นผู้รู้จักลูกค้าและเป็นผู้กะเกงสถานการณ์ถูก บางครั้งบุญเก่าก็มีส่วนก่อให้เกิดสังหอล่วงหน้าพูดง่ายๆคือเดาเก่งและเป็นการเดาที่ฉีกกดฉีกตำรากับสามัญสำนึกของคนทั่วไปเช่นนักลงทุนบางคนแค่เห็นทำเลสถานที่ก็ผุดไอเดียสร้างที่พักริมทางซึ่งให้บริการครบวงจรขึ้นมาวาดบรรยากาศถูกเดาใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมาถูก ว่าเห็นแล้วจะรู้สึกอยากแวะทั้งที่มองเผินๆไม่น่าจะเป็นแหล่งแวะเป็นต้นการตัดสินใจของเศรษฐีใหญ่ในหลายครั้งนั้นถ้าคุณไปถามเหตุผลของพวกเขาพวกเขาอาจอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ด้วยซ้ำเขาบอกได้เพียงฉันรู้แต่ว่าต้องเลือกอย่างเนี้ยถึงจะรวยคำตอบแบบนี้ถ้าแม่นยำนะครับก็สะท้อนใ้เห็นว่า ทำงานหนักอย่างเดียวไม่พอต้องมีโอกาสแล้วก็ต้องมีสังหรณ์ดีด้วยสังหรณ์นั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินซื้อไม่ได้ด้วยประสบการณ์แต่จะซื้อได้ก็ด้วยบุญเก่าและบุญใหม่ผสมผสมกันสรุปคำตอบในย่อหน้าเดียวที่วอรเรนบัฟเฟตถูกวิบากบีบจนหน้าเขียวในวัยเด็กนั้น ถูกต้องคล้องจองกันดีแล้วสำหรับเส้นทางความเป็นอภิมหาเศรษฐีของเขาหากเขารวยและปราศจากแรงบีบคั้นก็ไม่มีสิ่งใดประการว่าเขาจะต่อขึ้นด้วยอาการดิ้นรนเพื่อหาทรัพย์มาเพิ่มแก่ตระกูลขนาดนี้อีกประการหนึ่งอย่างที่ส่วนใหญ่คงทราบกันแล้วในบันปลายชีวิตของวอร์เรนบัฟเฟต ได้กลายเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่ชาวโลกเป็นจำนวน 37,000 พันล้านเหรียญสหรัฐคือเกือบสองล้านล้านบาทไทยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นานแล้วอันนี้ก็น่าจะสะท้อนได้ดีและไม่น่าแปลกใจหากอนาคตตชาติของเขาจะมั่งคั่งระดับโลกอีกใจใหญ่ระดับช่วยโลกขนาดนี้ ก็สมควรได้รับการตอบแทนจากโลกสมน้ำสมเนื้อกัน